ตอนที่31มเอดมีไหวพริบดีมากหวังกื้อฮาได้ยินมาว่าจางชุยหวาขายน้ำเต้าหู้ได้เงินเป็นกอบเป็นกำรรจึงเข็นรถมาหาซูม่านอินเพื่อดูว่าตนเองจะพอขอแบ่งส่วนแบ่งธุรกิจนี้ได้บ้างหรือไม่ทว่าพอมาถึงหน้าประตูนางกลับได้ยินเสียงอึดทึ่ครกโครมดังออกมาจากในลานบ้านนั่งแอบหลบอยู่ตรงประตูพลางเงี่ยหูฟังอย่างละเอียดเมื่อได้ยินว่าซูม่านอินซื้อตู้แช่แข็งทั้งอย่างห่อเกี๊ยวเส้เนื้อเลี้ยงคนแม้แต่คนจากสถานีตำรวจก็ยังได้รับเชิญมาด้วย แต่นางกลับไม่เรียกคนในครอบครัวพวกตนแม้แต่คําเดียวในใจของนางพันนบังเกิดความโกรธแค้นสูมานอิงผู้นี้ช่างไม่เห็นหัวครอบครัวนางเลยจริงๆนางกลั้นความโกรดนั้นไว้จนกลับถึงบ้านพอเข้าประตูมาเห็นโจเตอสุนนอนอยู่บนเตียงข้างโทรศะก็ประตุขึ้นมาทันทียังจะนอนอยู่อีกเงินชดเชยของพี่ใหญ่เจ้าจะถูกสู่มาร์อินผ่านจนหมดสิ้นอยู่แล้วเมื่อเอ่ยถึงเงินชดเชยของโจเตอชางโจเตอสุนก็รีบลุกขึ้นนั่งบนเตียงข้างด้วยความลนหลานนางเอาเงินไปทําอะไร นางซื้อตู้ใช่แข็งหลังใหญ่ทั้งยังห่อเกียเ้ยวเสเนื้อเลี้ยงคนเต็มลานบ้านไปหมดหวังเกว่าวาบรรยายภาพที่เห็นอย่างออกรถออกชาติโจโตเติร์สุ่นฟังในช่วงแรกก็รู้สึกโกรธมากแต่พอได้ยินว่าคนที่ได้รับเชิญมาคือคนจากสถานีตำรวจเขาก็พันหมดพยศทันทีกุ่าหานางไม่นับญาติกับเราแต่เราจะไม่นับญาตินางไม่ได้โจโตเติอ์สุ่นเอ่ยปลอบภรรยาเราให้คนน้อยลงก่อนพวกเราค่อยไปถามไถ่ที่บ้านนางดูว่านางได้แต่ต้องเงินชดเชยของพี่ใหญ่จริงๆหรือไม่ วังกุ้ยฮาวาปลายตามองโจเตอสุ่นอย่างเหยียดยามเจ้าคนขี้เกียจที่กลัวเรื่องยุ่งยากผู้นี้พอได้ยินว่ามีคนจากสถานีตำรวจอยู่ด้วยก็คงจะขี้ขาดขึ้นมาลสิในลานบ้านของสองแม่สามีลูกสะพ้ยแม้จะไม่มีการดื่มสุราแต่ทุกคนก็รับประทานกันอย่างมีความสุขหัวหน้าสถานีเก่าท่านคุมเข้มเกินไปแล้วพรุ่งนี้ก็วันหยุดดื่มสักหน่อยจะเป็นไรไปชิ้นเสี่ยวเยวู่ขวดเหล้าขึ้นพางเอ่ยขยันขยออย่างกระตือรือร้อนแต่กลับถูกซูมานอิงขวางไว้ ตำรวจไม่มีวันหยุดหรอกจะดื่มเหล้าจนเสียงานเสียการไม่ได้คุณแม่น้อยนี่ท่านเริ่มคุมเขาแล้วหรือคำล้อเล่นของฉินเสียวเย่เว่ยประโยคนี้แฝงความหมายเป็นอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายคนที่อยู่รอบๆต่างพากันส่งเสียงโห่ร้องแซวขึ้นมาพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายใบหน้าของเกาฉางเหอผันแดงกล่าขึ้นมาทันทีโจ้าเว่ยหมิ่นที่อยู่ด้านข้างเห็นดังนั้นก็เข้าใจได้ทันทีว่าทุกคนกําลังพยายามจับคู่คุณแม่น้อยของเขากับเกาฉางเหออยู่ แม่ในใจเขาจะรู้อยู่แล้วว่าตระกูลโจคงรั้งคุณแม่น้อยไว้ไม่ได้ตลอดไปแต่เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความจริงเช่นนี้เขาก็ยังรู้สึกเสียหน้าอยู่บ้างทุกท่านเชิญทานกันตามสบายเถิดที่บ้านนี่มีธุระข้าขอตัวกลับก่อนโจเว่หมินหาข้ออ้างอย่างห้วนห้วนตาฮวาเสี่ยวสวี่กลับบ้านกับพ่อได้แล้วเด็กทั้งสองเงยหน้ามองมารดาซุนจุหลิงเห็นสายตาอ้อนวอนของลูกๆจึงเอ่ยปรึกษาขึ้นว่าพรุ่งนี้วันหยุดให้เด็กๆ เ, เล่นต่ออีกสักพักเถอคะค่ะ โจว้วี่หมิ่นถลิงตาใสซุนจูวหลิงพังนึกในใจว่าภรรยางโง่ผู้นี้ช่าไม่มีไหวพริบดูทิศทางลมเอาเสียเลยหากคนตระกูลโจอย่างพวกเขายังอยู่ที่นี่คุณแม่น้อยกับเกาฉางเหอจะคุยกันสะดวกได้อย่างไรเวี่หมิ่นจะกลับไปก่อนเถอะเดี๋ยวข้าจะขี่จักรยานไปส่งจิวหลิงเองซูม่านอินเอ๋ยขึ้นโจเ ว, วี่หมิ่นจึงตอบรับอืมคำหนึ่งแล้วก้มหน้าเดินกลับบ้านไปจริงๆเลยอยู่ดีๆทำไมถึงโกรธขึ้นมาอีกแล้วนะ ซุนจิวหลิงรู้สึกแปลกใจมากหลายวันมานี้โจวเวยหมินผู้เป็นสามีดูจะสนับสนุนให้นางตามคุณแม่น้อยออกมาตั้งแผงลอยเป็นอย่างดีตอนหอเกี้ยวก็ยังมีสีหน้าชื่นบานฉไหนถึงได้เปลี่ยนสีหน้ากระทันหันเช่นนี้ซูม่านอินเข้าใจดีโจวเวยหมินผู้นี้แม้ปากจะไม่พูดแต่ในใจเขายังคงตะกิตตะโขงใจเรื่องฐานะของนางอยู่จิวหลิงพรุ่งนี้ค่ากับเสี่ยวเยเว่จะเข้าหมู่บ้านไปร่วม ง, งานแต่งงานหากเจ้าดูแลแผงลอยคนเดียวไม่ไหวก็หยุดพักเสียหน่อยเถอะ ไม่เป็นไรค่ะแม่ข้าทําทคนเดียวทีละน้อยก็ได้ความยุ่งขิงในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาทําให้ซุนจิวหลิงรู้สึกว่าชีวิตของนางมีคุณค่าราวกับว่านางเองก็เป็นคนที่มีการงานทําเช่นกันที่สภัยจางบอกว่าพรุ่งนี้นางจะเตรียมทําเต้าหวยด้วยนะซูมานอินนึกไม่ถึงว่าจางชุยฮวาผู้นี้จะเป็นคนลงมือทําจริงจังพูดแล้วทําทันทีเช่นนี้พวกเจ้าอย่าหักโหมจนเกินไปนักระวังเรื่องความปลอดภัยด้วยก็พอ ซึ่งคําของซูมานอิ่มเจ้าหน้าที่ตํารวจที่อยู่ด้านข้างต่างพากันหัวเราะพลางเอ่ยอาสาจะช่วยวางใจเธอสหายซูพรุ่งนี้พวกเราจะไปอุดหนุนรับรองว่าไม่มีใครกล้ามาก่อกวนแน่นอนใช่แล้วพวกเราจะกินเกี๊ยวเปล่าๆได้อย่างไรพรุ่งนี้พวกเราก็ช่วยหยิบจับได้ขอเพียงพี่สไพยโจไม่รังเกียจ ว, ว่าพวกเราเงินก็พอจะเป็นอย่างนั้นได้อย่างไรล่ะค่าค่าดีใจเสียด้วยซ้าไป ซุนจิวหลิงคิดเช่นนั้นจริงๆนางไม่คาดคิดเลยว่าคนที่ดูเคร่งครึมและน่าเกรงขามในความทรงจําจะเป็นกันเองและน่ารักได้ถึงเพียงนี้หลังจากกินเกี๊ยวเสร็จเจ้าหน้าที่ตํารวจเหล่านี้ต่างก็แย่งกันช่วยเก็บกวาดซุนจิวหลิงพยายามห้ามอย่างไรก็ห้ามไม่อยู่จิวหลิงเจ้าเหน่อมาทั้งวันแล้วพักผ่อนเถอะสูมานอินเรียกซุนจิวหลิงมาข้างกายก่อนจะชี้ไปที่ฉินเสี่ยวเยาว่ามวยืนบื่ออยู่ทําไมในบรรดาทุกคนเจ้ากินเยอะที่สุดแล้วยังไม่รีบไปออกกําลังกายอีกทราบแล้วค่ะแม่เล็ก ชินเสี่ยวเยาว้าทำปากยืดล่าขาที่หนักอึ้งทั้งสองข้างไปเก็บจานแต่กลับถูกเกาฉางเหอแย่งไปจากมือทันทีแค่จานไม่กี่ใบเองไม่ต้องเกรงใจหรอกผมทําเองชิ้นเสี้ยวเยวันเผยรอยยิ้มออกมานั่นสิณคนกันเองจะเกรงใจไปทําไมคําพูดประโยคเดียวทําให้ใบหน้าของเกาฉางเหอแดงก่ำขึ้นมาอีกครั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจอีกสองสามคนก็ช่วยสมทบนั่นสิครับตํารวจกับประชาชนเป็นครอบครัวเดียวกันห้าห้า ไปไกลๆเลยพวกเจ้าเด็กแสบยังไม่รีบไปทํางานอีกเจ้าหน้าที่ตํารวจหัวเราะราพางหลบเข้าไปในห้องครัวเพื่อเริ่มล้างจานซูมานอินถลึงตาใสชินเสี่ยวเยเวทีหนึ่งอีกฝ่ายแลบลิ้นปริงตาใสก่อนจะพาตาฮวาและเสี่ยวสวิมุตเข้าไปในห้องครัวตามไปแม่ข้าหัวหน้าสถานีกับคนนี้ดูเหมือนจะมีใจให้แม่หรือเปล่าคะต่อให้ซุนจิ๋หลิงจะซื้อบื้อแค่ไหนแต่นางก็พอมองออกบ้างแล้วไม่มีเรื่องพันนั้นหรอก เจ้าอย่าไปเรียนแบบเสี่ยวเยเว่ที่ชอบล้อเล่นไร้าสาระสิซูมานอินน่าขึมลงวางตัวเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาทันทีเว่ยหมิงเองก็คงเข้าใจผิดเหมือนกันเจ้ากลับไปก็อธิบายให้เขาฟังดีๆแม่เล็กหน้าตอนนี้อยากจะสร้างตัวก่อนรอให้หน้าที่การงานมั่นคงแล้วค่อยว่าเรื่องความรักกันอีกทีและถ้าแม่คิดจะจริงจังกับใครขึ้นมาจริงๆแม่ก็จะบอกพวกเจ้าแน่นอนซุนจิวหลิงกุมมือซูมานอินไว้พรางกล่าวอย่างซาบซึ้ง แม่คะไม่ว่าแม่จะตัดสินใจอย่างไรหนูจะสนับสนุนแม่เสมอคะ่ะหลายวันที่ซุนจิ๋วหลิงติดตามซูมานอินมานางพันตระหนักได้ว่าผู้หญิงก็สามารถทําธุรกิจได้จริงๆไม่ใช่แค่คําพูดลอยๆตอนนี้นางหาเงินได้มากกว่าโจวเวยหมินผู้เป็นสามีเสียอีกได้ยินว่าผู้อํานวยการโรงงานหยางแห่งโรงงานทอผ้าก็ได้รับคําแนะนําจากแม่เล็กให้เอาเศษผ้าในโกดังของเสียไปขายให้กับโรงงานเสื้อผ้าและโรงงานของเล่น ไม่เพียงแต่จะเคลียสินค้าค้างสต๊อกในโกดังได้เท่านั้นแต่ยังสร้างรายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวด้วยเหตุนี้พนักงานในโรงงานจึงได้รับสวัสดิการกันทั่วหน้าโจวเวยหมินรู้สึกว่าแม่เล็กมีวิสัยทัศน์กว้างไกลจึงตัดสินใจไปเรียนต่อที่โรงเรียนภาคค่าด้วยเช่นกันซุนจิวหลิงไม่เคยคิดมาก่อนว่าผู้หญิงคนหนึ่งจะทําอะไรได้มากมายขนาดนี้แต่จากตัวของซูม่านอินนางได้เห็นชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่งที่ต่างออกไปดึกมากแล้งงั้นพวกเราขอตัวก่อนนะครับ เกาช้างเหอร์ น, นำลูกน้องทำความเคารพและขอบคุณซูม่านอินขอบคุณสหายซูมากครับที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นซูม่านอินเห็นดังนั้นก็รีบโบกมือพลาวันไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นหรอกคะพรุ่งนี้ยังต้องรบกวนหัวหน้าสถานีเกาอีกไม่ใช่หรือคะไม่รบกวนเลยครับเกาช้างเหิร์กล่าวด้วยรอยยิ้มการรับใช้ประชาชนไม่มีคําว่ารบกวนครับเมื่อทุกคนกลับไปหมดแล้วฉิงเสียวเย่าก็คล้องแขนซูม่านอินพางเย่อแย ความหมายของหัวหน้าสถานีก็คงจะเป็นอยากให้แม่รบกวนเขาใจจะขาดมากกว่ามั้งคะซูมานอินผักนางออกไปทีหนึ่งเจ้านี่นะถ้ายังพูดจาส่งเดชอีกต่อไปแม่จะไม่พาเจ้าไปหาเงินด้วยแล้วขณะที่กำลังคุยกันอยู่ต้าฮาวาก็ถือชามใบใหญ่เดินเข้ามาคุณย่าลองชิมนี่ดูสิคะนี่คืออะไรหรอต้าฮาวาซูมานอินรับชามมาถึงได้พบว่าชามใบนี้เย็นเฉียบนางจิบไปคาหนึ่ง มันคือน้ำหวานช่ยเย็นนั่นเองจะว่าไปรสชาติไม่เลวเลยนะเนี่ยชินเสี่ยวเย่เว่กล่าวอย่างภาคภูมิใจแน่นอนสิคนี้คือน้ำหวานช่ยเย็นสูตรที่หนูคิดค้นขึ้นมาเองดื่มในฤดูร้อนแบบนี้รับรองว่าสดชื่นสุดๆค่ะซูมานอินเห็นเสี่ยววอสวีกำลังดื่มอยู่จึงรีบร้องห้ามไว้เสี่ยวสวีมันเย็นเกินไปดื่มเยอะไม่ได้นะลูกซูมานอินดึงมือตาฮวาเดินเข้าไปหาเสี่ยววอวี พวกเจ้ายังเด็ก ม, ม้ําและกระเพอยังอ่อนแอถ้ากินของเย็นมากไปจะปวดท้องเอาได้รู้ไหมจ๊ะทราบแล้วครับข้าคุนยาเด็กทั้งสองวางชามลงอย่างว่าง่ายสู่ม่านอินรูปหน้าเด็กทั้งสองพรางชมว่าเด็กดีนางในหน้ามองหาซุนจิ๋วหลิงถึงได้เห็นว่าซุนจิ๋วหลิงกําลังยืนอยู่หน้าตู้แช่แข็งพรางเทน้ําหวานที่เย็นจัดลงในกระติกน้ําร้อนเมื่อซุนจิ๋วหลิงเห็นแม่เล็กมองมานางก็ยิ้มออกมาอย่างเขินอาย นูจะเอากลับบ้านไปให้ไว้หมินลองชิมดูหน่อยค่ะ